มันจะยิงออกหรือมันจะฟันเข้าหรือมันปิดหมดทุกถาวนั้นงเก้าแล้วมันก็ยิงไม่ออกฟันไม่เข้าทันทีไดแก่ไม่ระเบิดออกไปไม่ส่งไปถ้ามันส่งไป ม, มันต้องระเบิดไปในอารมณ์ได้ก็ตามเถอะ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 คิดหาทัพย์เสียงเงินทองคิดเพิดเพลินกับลูกเสียงกินรสโสดพระธรรมารงลงมารวมในนี้เพิดเ พ, เพลินร่มรงโมเมากับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ว่าโมเมาที่ว่าลุมหลงคือไ ม, ไม่ไม่รู้จักต้นจักปล า, ายพูดว่าจะเบียงแค่นน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 คิดคุงคิดแต่งคิดไปอะไรคิดชอบคิดรักรักสวยรักงามรักโน่นรักนี้รูปเสียงเกล่นรดโวดทัปะมันไปทั้งไหนรักมันกับอาความตายมันก็ลงความตายลงเก่าแต่ว่าใจมันไม่ที่ใจมันเป็นโลกมันไม่ตายมันยังเพลินสนุก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 เรื่องเราเริ่มจะออกไปจากนี้อิตปัยนาเห็นรูปเห็นนามมากมายกวางของมันออกไปจากคนทิ้งหลักในีเสียแล้วก็ไม่เห็นทำเอาไปทําไม้มากมายหลักล้วงหลายอันนี้ก็ยังไม่เห็น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 มันติดมันคลองมันยึดมันถือสิ่งใดใก้ไปดีนะเรื่องเลือกกิเลสทั้งหมดกิเลสพันธะตันหาร้อยแปดออกไปจากนี้ทั้งนั้นออกไิจากหน้าทางหกออกง่ายๆทางหกห 6, 6นี้ทั้งนั้น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 ท้ายนอกอะ น, นะมันเต็มตื้นขึ้นมานละยมันเบิกบานขึ้นมาเจงว่าเอกกะตาลุ่ความสงบอันนะนะั้นเป็นของยิ่งงเท่านี้แหละการฝึกฝนอบรมไม่มีอะไรอื่น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 ในกรรมฐานของเราที่เราทํำสมาธินั้นจะพิจารณาอะไรก็เอาจะพิจารณาพุทโธหรือพิจารณาอนาปตาสติก็เอาอันนี้เป็นของเลิศประเสริฐสูงสุด ท, ทรร พ, พระพุทธเจ้าก็เลยสําเร็จอนิพานมาผลอนิพานเพราะอนาปาตาสติเหตุนั้นเราดําเนินตามรอยพุทธ บาทคือตามรอยว่าคุณเจ้าท่านได้สาเร็จแต่ว่าเราจะต้องทำตามให้ท่านทำตามท่านจะสาเร็จแต่ว่าสำเร็จก็มันถูก้อยของท่านแ้วท่านดำเนินมาแบบนี้ให้พากระยินดีพอใจในกรรมฐานของเรา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 หายใจเขา้าพุทธหายใจออกพุทโธแล้วหายใจออกพุทโธหายใจเขา้าพุทเอาแล้วแต่เธอให้มันแนวในอันเดียวอันจิต ท, ที่นึกพุทโธนั่นน่ะนึกอนาปานสติมันแนวนันน่ะหายใจแวบแ ว, แ ว, แ ว, แวบมันกปากอทีนั้นไม่นหนดเตามลมหายใจอะไรอกแค่ว่าให กำหนดรมหายใจแฝ บ, บแวดแบบพุทธโธไหรืออรหังหรือจะเอาอนาปาก็เอาเอาอันเดียวเอาเอาอันเดียวแน่วแน่โรงอันเดียวจริงๆงเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็จะนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วให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 ไม่เอาตรงนั้นให้มันไะด้ไม่ไทักอธิบายตอนไหนพอแะตั้งใจทำเลย